พตันตนาัยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดและก็มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นธรรมิส ง, งบละเอียดประณีตลึกซึ้งเราจะนึกคิดหรือค่าคะเนเอาไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงซึ่งเราจะต้องปรับใจที่หยาบให้ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ จนกระทั่งได้เข้าไปถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาเราก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายวิธีการก็คือต้องทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดนิ่งจะทำให้ชีวิตสุขสดใสได้เข้าถึงที่พึ่งภายในคือพระตนตรยัย มีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในกูตะธนสูตรว่าดูก่อนพรามภิกษุถึงพร้อมด้วยศีลเขาถึงปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจะตุติฌานอยู่ชื่อว่าเป็นผู้กำลังบูชายันและยันนี้แลใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่ามีผลมากกว่าและมีในสง์มากกว่ายานเหล่าอื่นในชาญเหล่านี้เราทำใฌานย่อมให้อายุในพรหมโลกหนึ่งกับทุติยฌ า, าน8กับตติยฌ า, าน64กับเจตุติฌานหาร้อยกับเจตุติฌาน ที่บุคคลเจริญด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งสมาบัตมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นย่อมให้อายุยืนยาวตลอดสอง0 0ื่กับสี 0,000 กับสี่หมืกับและ8ปดหมสพันกั บ, 84, กบชานั้นพึงทราบว่าเป็นยัน์พระสละเสียซึ่ง ทำอันเป็นค่าศึกมีนิวรเป็นต้นการบูชา ย, ยันในทางพระพุทธศาสนาไ น, นเได้หมายถึงว่าต้องฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาแต่เป็นการสั่งสมบุญโดยวิธีสัมมาปฏิบัติที่ไม่ขัดกับหลักเมตตาและกระํำเดินตามหลักของบุญยักตริวัตุในส่วนที่เป็นภาวนานั่นเอง จากเนื้อหาพระบารีข้างตนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงแนะนำพราหมณ์ท่านหนึ่งว่าการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีถือว่าเป็นการบูชายันทั้งหมดแต่สู่การบูชายัญที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาไม่ได้เพราะภาวนาเป็นเหตุให้ได้ไปบังเกิดในสุคติ และโลกิยัญชานก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในพรมโลกซึ่งเป็นที่ปรารถนาของพรามทั้งหลายแต่โล ก, กุตระชานก็ยังเป็นเหตุให้หมดทีเลตเป็นพระอรหันต์ได้อีกด้วยหลวงพ่อได้เคยพูดถึงเรื่องพรมโลกมามากพอสมควรเราได้ทำความรู้จักกับพรมโลกชั้ น, นต่างๆพร้อมทั้งสภาพความม็นอยู่ ของเหล่าพลมตลอดถึงปฏิปทาที่จะนำไปสู่พร ม, มโลกและอายุขายของพลมมาเป็นลำดับว่าต้องประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรบ้างถึงจะได้ไปสู่พร ม, มโลกดังเช่นพวกเทวดาหรือมนุษย์ผู้มีศรัทธาแก่กล้าหวังจะได้ไปอุบัติในพร ม, มโลก จะต้องประกอบความเพียรพยายามบําเพ็ญภาวนาจนกระทั่งเดชสําเร็จฌานสมาบัติในระดับต่างๆครั้นละโลกแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นต่างๆตามกํากลังแห่งฌานที่ตนเดบันลุกแต่กําลังแห่งฌานละเอียดประณีตมากก็สามารถจะบังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสูยิ่งขึ้นไป เหมือนรถที่มีกำลังมากก็สามารถนำผู้โดยสารไปส่งได้ไกลและได้รวดเร็วในสมัยพุทธกาลเมื่อพระสารีบุตรเถระได้พาพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เที่ยวจาริกไปยังทักกินนาคีรีชนบทและพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวัน มีอยู่วันหนึ่งได้มีภิกษุหนุ่มเดินทางมาจากกรุงราชจากักรฤเข้ามานมัส ก, การนำภาษารีบุตรหลังจากทักทายสนทนาปราสายกันครู่หนึ่งแล้วพระเถระกะร็ได้ไต่าถามถึงข่าวคราวทางเมืองราชคกรฤว่าพระบระมศรรสาสตร์และหมู่ภิกษุสงสบายดีหรือ ภิกษุหนุ่มนั้นก็ได้กราบเรียนท่านว่าทางพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์อยู่สมาราณดีจากน้ำพัเถร ะ, ะก็ได้ถามถ่ายถึงพระามที่ท่านคุ้นเคยชื่อธนัญชานีภิกษุหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกราบเรียนท่านว่าธนัญชานีพราหมก็อยู่สุขสบายดี แต่ว่าบัตรนี้เนี่ยไม่เหมือนก่อนเสียแล้วจากที่เคยเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมก็กลายมาเป็นคนประมาทในชีวิตอาศัยอำนาจหน้าที่ชอราษบังหลวงไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมส่วนภรรยาซึ่งเป็นคนดีเป็นสัมมาทิฐิมีความศรัทธานในพระพุทธศาสนา บดินาก็ได้เสียชีวิตไปเสียแล้วเขาก็ได้มีภรรยาใหม่แต่ว่าภรรยาใหม่ของพระรามเป็นหญิงทุศีลไม่ประพฤติธรรมเลยเพระสารีบุตรได้ฟังแล้วก็พลันเกิดมหากรุณาต่อพระรามผู้หลงผิดท่านยังได้พาภิกษุสงฆ์ออกจากทักกินาคิรีชนบท เดินทางมุ่งหน้ามายังนคะรราชจจครึเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าครั้นพอยามรุ่งอรุณขณะที่ภาษารีบุตรกำลังเดินมิดาบาดโปรสัตตามสมนวิสัยท่านัญชานิพราหม์ก็เห็นพระเถระผู้กำลังเดินมาแต ก, กลายพอดีพรามนี้นะี่มีความรัก ลคารนับถือพระมหาเถระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงรีบเข้าไปกล่าวทักทายด้วยความยินดีปรีดาเสมือนหนึ่งญาติผู้จากไปไกลกลับมาที่บ้านพระเถระเองน่ะเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงชักชวนพราหมณ์ให้นั่งพักที่คนล้มไม้ใหญ่ต่าหนึ่งแล้วได้ถามถึงความไม่ประมาท ในการประพฤติธรรมของพรามพรามเมื่อถูกถามเช่นนั้นก็รู้สึกลาอายใจกลาวเปลียนท่านตามความจริงว่าที่ผ่านมานะตัวเองมัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินมุ่งหน้าแต่ในการแสวงหาทรัพย์จึงทําให้ย่อดอยันในการประพฤติธรรมประมาทในการดําเนินชีวิต เพราะว่าการของรเรือนนั้นน่ะแต่ไม่ได้เครื่งองกังวลใจมีกิจมากมีธุระมากมายต้องเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรต้องฝืนใจทําบาปทั้งๆ ท, ที่มีความละอายต่อบาปอย่างยิ่งเพราะเถระมองดูพรามด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจาเมตตา แต่ก็ต้องการจะเตือนพราหมณ์ให้ได้สติจะได้กลับตัวกลับใจมาตั้งมั่นในการทําความดีเหมือนเดิมจึงกล่าวกับพระมณ์ว่าท่านพราหามธรรมมาเข้าใจความรู้สึกของท่านดีแต่ธรรมามีปัญหาอยากจะถามท่านให้ท่านช่วยตอบสักหน่อยพราหมณ์มีบุคคลผู้หนึ่ง ละกอบอกุศสลกรรมประพฤติชจริตเพียงเพื่อประสงค์จะเลี้ยงดูบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรภรรยาต้องการทำสงเคราะห์ให้แก่ญาติสาโลหิตต่อมาเมื่อเขาตายแล้วถูกนายนิรยาบาลชุดร่าโยนลงไปยังมหานรกอันน่าสะพึงกลัวยอย่างยิ่ง เขาจึงอ้อนวอนต่อนายเนรยาบาลว่าการที่ขปเจ้ามีความประมาทประพฤติอกุศลธรรมประกอบทุจริตกรรมก็เพราะขาปเจ้ามีความต้องการจะได้ทรัพย์มาบำรุงเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรภรรยาตั้งทําการสงเคราะห์ให้แก่ญาติสาโลหิตต้องทําบุญส่งไปให้แก่บุรุษเปตชน ต้ทงทำการบวงสูงแก่เทวดาต้องทํากิจให้แก่องค์พระราชาธิบดีฉะนั้นน่ะขอท่านนายนิรยาบาลได้โปรดเมตตากรุณาต่อข้าพ เ, เจ้าด้วยเถิดจะได้ชุดคร่าข้าพ เ, เจ้าไปลงในมหานาลกเลยหรือปิดามารดาของเขาพูดนั้นน่ะมา่เห็นว่าบุตรสุดที่รักกำลังจะถูกนำไปไต่สวนในยมโลก แล้วตั้งสเสวยวิบากกรรมในมหานรกจะพึงเข้าไปอ้อนวอนต่อนายนิรยาบาลว่าขอท่านนายนิรยาบาลได้โปรดเมตตาบุตรขงกบเจ้าดิเถิดจะได้ชุดฆ่าเขาลงไปในมหานรกเลยดูกนพรามนายนิรยาบาลจะเกิดจิตเมตตา ยินยอมตามคำอ้อนวอนขอร้องนั่นหรือไม่อาเป็นเช่นนั้นไม่แต่นายนิรยาบาลก็ยังคงทำตามนาทีของตนถึงแม่บุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นจะได้ร้องไห้คร่ำครวญจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดแต่นายนิรยาบาลก็ไม่ยินยอมและย่อมจะจุดฆ่าเขาโยนลงไปในมหานรกตามเดิม ขอยอมได้สเสวยวิบากกรรมอันทุกข์ทรมานที่ตนได้กระทำไว้สิ้นกาลนานพรามนั้นเมื่อได้ท่านพระเถระเป็นยอดกรลยาณมิตรก็ได้สติหันมาปฏิญญาตั้งมั่นอยู่ในการทำความดีอีกครั้งแล่ท่านธนัญชาญิพรามผู้นี้ เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลของพราหมณ์ซึ่งมีความเชื่อว่าตนเองนั้นสืบเชื้อสายมาจากพระพรหมเพราะฉะนั้นน่ะท่านจึงได้รับการปลูกฝังให้มีความเลื่อมใสในพระพรหมและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการที่จะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเพราะเถระทราบจริตอัธยาศัยของพวกพรามเป็นอย่างดี เพราะตัวท่านเองก็เป็นพรามมาก่อนจึงกล่าวสอนปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงพรหมโลกแกพรามส่วนว่าพรามผู้มีบุญท่านนี้เนี่ยจะได้ไปบังเกิดในพรหมโลกด้ว ย, วยปฏิปทาอย่างไรเราก็คงต้องมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนอย่าได้ประมาทในชีวิต เราจะทำมาหากินอะไรที่เป็นสัมมาอาชีวะกรรมไปเถิดแต่ต้องประพฤติธรรมไปด้วยโดยปฏิบัติตามหลักกุศลกรร ม, มบทสิประการสร้างบารมีของเราไปด้วยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องเร่งสร้างบารมีกันต่อไปเพราะเวลาในโลกนี้นะ่ะมีอยู่จำกัด ให้ทุ่มเทกันให้เต็มที่แล้วก็ฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอัเรื่อยไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อขออมหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรือง